ก่อนอาจารย์สัมปันไม่บอกทราบวันนี้จะมีการประชุมชะเนรคณะกรรม ก, การชี้ตังขึ้นใหม่เรื่อคณะราษฎถ้าใครอยู่รวมฝังนั้นก็เป็นเรื่อง ด, ดีจะได้พูดคุยชี้แจงคือ วงการผ้าเหลืองวะ่าวนวายเกิดจากอะไรม่นเกิดจากจผ้าเหลืองร้อนใชผ้าเหลืองทําไมมันร้อนมันมันน่าจะเย็นนะผ้าเหลืองช่วงนี้มันหน้าฝนมันก็น่าจะเย็นนะแล้วทําไมไม่เย็น เราก็จะเข้าใจที่มาที่ไปแต่ก็ต้องทาตามเพราะว่าเป็นกฎกติกาของบ้านของเมืองแต่อยากให้พวกเรารับรู้รับทราบถึงปัญหาที่มาที่ไปก็ปเกิดและผลว่าเป็นยังไงผลที่เป็นอย่างนี้มาจากอะไรที่เป็นเหตุ เพราะั้นมันก็จะแตกตื่นตอนนี้แตกตื่นทัว่วบ้านทัว่วเมืองตอนนี้เพราะงั้นถ้าใครมีโอกาสก็ร่วมฟังทำมะได้ไปไหนส่วนกรรมการเท่าที่มาได้ก็มันเรีบด่วนเราจะได้ชี้แจงแจ้งไอ้ซาเดือนหน้าเดือนหน้าสลักกรพักลางเดือนหน้าสลักกรพัด กางแจงไฮราบลงหน้าก่อนเดือนตุลา15กันยายนหลักกรพัน11ตุลาคระถินวัดเราอแจงไฮราบคร่าวๆกันเขาอขอกภนษาแน้ะนี่ก็เดือนที่สองแล้วอ่าแล้ว น, นี่มาข้าเรื่องแล้ว มาเขาเรื่องว่าถ้าเรานับถือหรือปฏิบัติตามจรียประมเพรียอันดีงามที่โบราณอาจารย์บัณฑิตต่างท่านกําหนดเอาไว้ก็เลยว่าอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าของเราทําไมพระพุทธเจ้ายุคพูะเจ้าของเรามันต่างกับยุค เราก็ไม่แปลกเพราะว่าได้เอาชาวบ้านไปคุมชาวพระอืโดยที่ชาวบ้านก็มีความรู้น้อยพูดง่ายก็เอาโลกมาคุมธรรมก็เอาโลกเป็นอย่างไม่ได้เอาธรรมเป็นอย่างมันถึงได้เป็นอย่างนี้เราคนไม่เข้าใจว่าโลกคืออะไรธรรมคืออะไรโลกอยู่กันยังไงธรรมอยู่กันยังไง แล้วที่ผ่านมาทั้งหมดวงการพระได้ดพรงๆแล้วเขาอยู่กันยังไงพระที่ดีมีควรจะมีลัคนุสบัติอย่างไรควรจะส่งเสริมวิธีส่งเสริมควรจะทำอย่างไรเพราะนั้นเราไม่ต้องพูดถึงวิธีทำลายทำลายง่าย ป่านสร้างเป็นปีอยู่กันเป็นสิบปีม่ขีดขั้นเดียวไปแล้วแก๊สถังเดียวไปแล้วลรักกันที่เซียมลายกันนะมันง่ายสว่วนที่เราจะสร้างสันจันลงมันเป็นเรื่องที่ยากเรามาพูดเรื่องโลกลพูดเรื่องทํา บทเรื่องโลกคือชาวบ้านชาวโลกคารวะญาติโยมเทีเยบเปอร์เซ็นต์กับฝ่ายที่เป็นผู้นำทางธรรมพระสองฆ์องค์เนรสามแสนกว่ารูปคนที่เป็นผู้เนรผู้นำจริงๆมันก็มีไม่ได้เยอะเลยเทียบเปอร์เซนต์ไม่ได้ตอนนั้นก็บทชั่วคราววันเจ็ดวันเดือน เป็นสามเณรเพราะนัน้นเป็นที่เป็นเป็นหลักๆเป็นผู้แนะผู้นําเนี่ยมันก็จะน้อยลงน้อยลงเพราะนั้นถ้าจะเริ่มต้นถ้าจะแนะกันำจริงๆนากันจริงๆฝ่ายโลกฝ่ายโลกก็ต้องเป็นผู้นำํำทางศาสนา ของตนเองที่นับถือเราไม่ได้บอกพุทธทั้งหมดศาสนาที่ตัวเองนับถือต้องจริงจังเครครัดและที่สำคัญก็อย่าไปโจมตีเรื่องที่ศาสนาอื่นที่เราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจที่เราศรัทธากันอยู่แล้วมันก็เราศรัทธาพัตนาใจเพราะนั้นอาวาสาัทธาต้องบอกให้ชัดเจนว่าศรัทธาอะไร ในแต่ละศาสนาศาสนาอื่นเขาจทาศาสดาเขาสาสาดาคคาสอนคำพี่ถ้าพูดว่าไงคือคำพี่แล้วก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามของใครของท่านถ้าเราปฏิบัติตามอย่างนี้จะไม่เป็น จะไม่มีเรื่องเหตุการอย่างนี้เกิดขึ้นพระธานท่นาจใจดีเริ่มต้นจากนคนที่ดูแลประชาชนเนี่ยมันถึงจว่าสี่ห้าร้อยเจ็ดร้อยพัหนึ่งเต็มที่ทั้งหมดประมาณอ่ะสสสกขพูดตรงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทันผู้บริหารทั้งหลาย รวมๆแล้วเอาเต็มที่ไม่เกินพันคนพันคนดูแลหกสิบจดสิบล้านคนถ้าได้ผู้นำที่ไม่ดือเข้าป่าก็ดงมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่แล้วก็นำไม่ได้เลยเพราะตัวเองก็ทามไม่ได้ นี่คือปัญหาเพราะาถ้าทำได้คงไม่เป็นอย่างนี้ทำได้เบื้องต้นร่วมต้นจากคนพันคนเนี่ยไม่ต้องเยอะปฏิบัติตนตามาศาสนาของตัวเองอย่างเคร่งครัดไม่จะพูดถึงก้าวไกลศาสนาอื่นเข า, าศาสนาอื่นเราไม่พูดถึงเอาแค่พุทธเรา เริ่มต้นจาไหว้พระทุกคนก่อนที่จะมีตัวอย่างต้องไหว้พระสมาทานศีลก่อนเหมือนที่เราทำกันนี่ในการมีพิธีกรรมทุกครั้งแม้ว่าสมาทานศีลเพื่อให้มีศีลเพื่อใ้พใจศีลถ้าคนมีศีลอยู่ด้วยกันเป็นร0อพันเป็นแสนเป็นล้านนีม่มีหนห้ คนที่ไม่มีสิงเนี่อยู่กันไม่กี่คนอาเดือดร้อนมันของเน่าของเหม็นเท่ากับมือเดียวเนี่ยมันจึงเดือดร้อนเพราะนั้นเพื่อให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างที่ดีโอรจะเป็นบทบัญญัติเลยอันนี้คือฝ่ายโลกนะแล้วค่อยคุยกันส่วนฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมก็คือพระ เนื่องจ า, งเ า, เาเกเราเคารพอาวุโสผันตองเวลาผู้น้อยพูดจะไม่ค่อยมีน้ำหนักกุะดาษรับนอกพูดจะไม่ค่อยมีน้ำหนักฝ่ายผู้นำของพระเราเองแา่พูดตรงๆก็คือประมาณยี่สิบสามสิบูกที่ดูแลพระไปสามแสนเนี่ยนะอติษภานสามสิบไม่ถึงที่เลยสามสิบคนดูแลสามแสนคนอันตราส่วนเท่าไหร่ สิบต่อแสนนะสิบค น, นต่อแสนรูปนะคนต่อหมื่นรูปดูแลไปเลยทุกวันนั้นเป็นอย่างไรวันนี้นเมื่อดูแลไม่ไหวก็อาศัยกฎกติกากฎกติกาเราไม่เคยถามว่าเราไม่เคย กฎกติกาไม่เคยใช้กฎกติกาไม่ได้อยู่กฎกติกาเลยเลยและที่พุทธเจ้าตรีกรอบให้เราอยู่เนี่ยทาไมเราไม่ไปศึกษาเราไม่้อ่านสมัยพุทธเจ้าพระเป็นผู้นําพุทธเจ้าเป็นผู้นํำพูดกับคนที่จะเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งหนึ่ง11นาหุดนาหดหนึ่งก็หมื่นในสมัยนั้นสองพกว่าปีน คนฟังเป็นหมื่นเป็นแสนคนฟังทำเนี่ยนะสองพันกว่าปีถ้าเทียบประชากรปัจจุบันเนะน่ยน่เป็นล้านทําไมมันมีปัญหาสินห้าที่เราอมาใช้ทุกวันเราไม่รู้ไม่ศึกษาถึงที่มาที่ไปต้นต่อว่าสินห้านะี่คืออะไร มันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลสมัยอินเดือนะรัฐคือใช้ศีลห้าเป็นหลักตัวแหรัฐคือทางรัฐอีเดอนสมัยก่อนมันสิบกรัฐสิบกจังหวัดอะถ้าพูดง่ายๆอเราสกมณฑลมณฑลที่บังคับใช้ศีลห้าเป็นกิจลักษณะที่เป็นตัวแบบคือรัฐกุรุเพราะฉะนั้น สินห้าในสมัยก่อนเรียกวู่รุธรรมที่สินห้าที่เราทําในปฏิบัติกันเนี่ยเป็นนับพันปีะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอายึดหลักพวกนี้มาทําทันนี้ฝ่ายพระฝ่ายค ร, ร, ร, ร, รูอาจารย์เราบัางคนต้องทําเป็นตัวอย่างสมรรถจะตรวจจะออกกฎระเบียบกติการตรวจ ว, วัดบัญชีวัดทั่วประเทศเสามสิบวัดที่บริหารจัดการวัดพระเนรทั้งประเทศเนี่ย ทำเป็นตัวอย่างก่อนไหมทำได้ไหมอันที่เป็นปัญหาเนี่ยทุตวรปัญหามันไม่ได้เกิดจากพระนะที่กฎระเบยียบกติกาตาพระรู้เรื่องพวกนี้ไหม ม, มีความรู้ขนาดนั้นถ้าใครก็คารวะ ญ, ญาติโยมเที่ยออกกฎกติการเรียก ใช้บังก็ต้องมาเรียกบาพระเรียกใช้พระเพราะว่าโลกจามาดูแลพระไม่ได้ก็อาศัยพระนีเป็นคนออกคำสั่งมาแนะน า, นาคาสั่งของพระคือพระกนคือพระมาหาเถรสมคาคมเพราะเข้ามาไม่ได้ก็แปลว่าอะไระเราชักศึกเข้าบ้านเองอันนี้คือประเด็นมาถึงที่เป็นเดือดร้อนกนทั่วประเทศ คนที่เร่ากือพระแต่พวกที่ดีไม่เดือดร้อนทองแท้ไม่กลัวไฟอันที่เดือดร้อนก็พอไม่ชัเดเจน ม, เมันที่เป็นปัญหาพระบุญายเพราะนั้นก็ในพวกเราทุกคนอย่าลืมในชีวิตประจำวันสิ่งที่เราทุกวันมันนี่คือบรรทัดฐานในชีวิตคือหนึ่งคือ ไหว้พระไหว้พระอกันเราลึกเรื่องถึงพ ร, ระรัตนตรัยเป็นคนของพรธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยะสงฆ์แล้วก็ให้เราทําความเข้าใจอย่าใช้ศักเท์ว่าไหวคือพูดสรรเสริญเป็นอักขระพยัญชนะมันไม่ได้เข้าถึงใจอ่ะคือไม่มีความเข้าใจมัน ก็ได้แค่สัญญางคือความจำมันไม่เกิดปัญญามันถึงได้เป็นอย่างนี้คืวันเราไม่เข้าใจคุณค่าคุณค่าของพระรัตนตรแม้แต่พุทธังสารางกับที่คืออะไรเราก็ปตีว่าพุทธเจ้าเราปตีว่าพระพุทธรูปของพุทธังสรังในสารนี้จริงมันไม่ใช่มันมีความหมายมันลึกซึ้ง มันยิ่งกว่า น, นั้นถ้ามังสนังกระฉามิ้เราเข้าใจว่าเข้าใจพิดกเข้าใจว่าคําพูดของบัณฑิตจักรารรดิกูวาจางธรรมะจริงๆมันยิ่งใหญ่มากถ้าคนสติปัญญาน้อยจะเข้าใจได้อย่างไรโดยเฉพาะคือสภาวะที่มันเป็นอยู่ที่เป็นธรรมะจริงๆคืออะไร สังครงกาักระจานี้พระสงฆ์ที่พูดมาทั้งหมดคือเราพูดถึงคุณสมบัติไม่ได้พูดถึงบุคคลเพราะบุคคลก็เหมือนกับูดเราตอนนี้วันนี้มาเข้าวัดมาฟังสัมจำสินภาวนากับพู้ง่ายก็มีสินตอนนี้คือมีสินแล้วที่มีเพราะรับไปมาทานปฏิญาณคือสัญญาว่า ไม่ทำหนึ่งสามสีห้าตอนนี้เราทำแล้วแต่พอออกไปจรวดไปเหมือนเดิมเห็นส่วนใหญมันจะเป็นอย่างนั้นหมายถึงส่วนใหญ่ภาพรวมส่วนใหญ่เพราะเราไม่เข้าใจไงเข้าใจเป็นต่างกัเอาแค่พิธีกรรมจนกลายเป็นพิธีเกินไม่ทำก็ไม่ได้เหมือนรับสินก็ต้องรับจากพระ ฉะ น, นั้นแนวคิดว่าเราเย็นว่าให้ให้เราเริ่มต้นดูแลตัวเองสมธ า, านศีลไหว้พระด้วยตัวเองได้ทำไมเราสมาทานด้วยตัวเองไม่ได้ทำไมเราต้องพึ่งพระอ้าวเมื่อก่อนพ่อแม่เราสมัยที่เรายังกินเองไม่ได้เดินเองไม่ได้ใครไปพอช่วย พ่อแม่พี่เลี้ยงสมัยก่อนเราจะไม่รู้เขอไก่ขอไข่เอบีซีดีหนึ่งสาส่ใคร A, B, C, D, 1, 3, 4, คเป็นคนช่วยครูแต่นี้พอเราเป็นแล้วเราตกกระบไปถามครูไหมตอนนี้เรายังพึ่งพ่อแม่ไม่เสร็จคือยังพึ่งครูบาอาจารย์มันเสร็จก็แปลว่าวายพระอาฐานเสร็จนึงก็ต้องจับพระต้องขอวัด สินเนาขอจากพระมันถึงจะเป็นสินมันเป็นอย่างนี้โดยภาพรวมเรารถ้าเราเข้าใจว่าศินจริงๆมันคืออะไรแต่คนที่ไม่มีศิลโทษของคนที่ไม่มีศินมันคืออะไรแล้วคุณเขคนมีสินคืออะไรเวาเรานั่งเราปฏิบัติยกอันนี้ขึ้นมาพิจารณาบ้าง ไม่ใช่แค่เอปุโุต โ, โมสังโฆสัมมาอรหังยุบดอกพองเนอะซึ่งอะไรอะไรยุบอะไรพองก็ไม่รู้อะไรคือสัมมาอรหังก็ไม่รู้บางคนใช้แค่คำบริกรรมอันกลายเป็นกะถาอาค ม, มก็เป็นของขางของศักดิ์สิทธิ์ทั้งๆที่เป็นของวิเศษ น, นี่คือพื้นฐานของไทยพุทธเราที่ขาดความรู้พื้นฐานสุดท้ายก็อาศัยพ่อแม่คือบ า, อาจาัง บางใช้เาบกพ่อแม่ครูอาจารย์สุดท้ายเราก็เลี้ยงไม่โตเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วเลี้ยงไม่โตแทนทีจะเลี้ยงแล้วดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ไ ม, ไ, ไม่ไปไหนมาไหนเกาะพ่อแม่อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเลี้ยงไม่โตนภาพรวมมันเป็นอย่างนี้มันเรามนภาพรักษทั่วไปมันถึงได้เป็นอย่างนี้ การที่จะปรับก็ปรับตัวนี้เป็นพื้นฐานโดยเฉพาะองครงโครงสร้างของศิลปะเนี่ยนี่เรื่องความเป็นมนุษย์มนุษย์มันอยู่ตรงนี้จะเรียกมนุษย์ได้ก็ต้องคนมีศิลปะบริบูรณ์เท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ผู้ไรสินปะเขาบอจะเรียกมนุษย์มันเป็นมนุษย์ไม่ได้ออกมาจากหน่อย ต่ำกว่ามนุษย์มากลดลอยพอเป็นคนกัคนก็คือมีสินบ้างไม่มีสินบ้างครอ บ, บ้างไม่ครบบ้าง น, นี่คือคนเราถามว่ามนุษย์กับคนเนี่ยอะไรเยอะกว่ากันตอนนี้อันนี้คือสภาพปัจจุบันปัญหาอันนี้คือคนนะแต่นี้คนที่ไม่มีศินเลยไม่มีธรรมเลยอันนี้เป็นคนยังไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นอะไร ก็ต่ำกว่าคนไงต่ำกว่าคนคืออะไรก็มีธาตุสีการห้าเหมือนเรานี่แหละมีเขาเงอกก็ตามด้วยนะมีขนก็ตามด้วยนะมมีเสื้อผ้ามีอาภรณ์มีครอบครัวมีการแต่งงานมีการสะสมมีการเรียนอันนั้นคือไม่ใช่คนนะเราไม่ได้เรียกเขาเหล่านั้นว่าคนถามว่ามีเยอะไหมลกเนี่ย ก็ต้องรวังเยอะที่สุดในประเภทสิ่งมีชีวิตมีวิญญาณครองประเภทนี้เยอะที่สุดในโลกเอาคนเราเนี่ยมนุษย์เอาเรียกว่ามนุษย์ก็แล้วกันแปดพันล้านทั่วโลกแปดพันล้านแต่ที่มีสิห้าทีเรียกว่าเป็นมนุษย์อะ พุทธเรามีสามสี่รอยล้านเต็มที่จัเกิดพันพล้านคนที่มีศีลจริงๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีกี่คนมีมั่งไม่มีมั่งมียู่ ค, คนเราไม่มีเลยคือไม่อยู่ในศีลในธรรมเลยเห็นไหมปริมาณมันเยอะเพราะนั้นวั น, ว, นวันหนึ่งเราก็มาทบทวนตัวเองว่าเออสถานะ ที่เป็นปัจจุบันธรรมคือขณะ น, นี้จิตของเราพูดทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาถ้าสีกับห้าสังขารหมายถึงจิตถึงใจถ้าใจหรือจิตเราเนี่ยสินห้าข้อเดียวก็มีเลยในแต่ละวันหรือในขณะที่มันอยู่เพึ่งทราบว่าเออความเป็น เป็นมนุษย์เราเ็นมนลงมนุษย์มนะาอุดสาแปลว่าคนมีใจสูงใจเนาะต้องเรียกว่าใจไม่เกี่ยวรูปร่างหน้าตานะาฬกาสำคัญ น, นั้นเราก็ไม่ได้บอกเป็นพระสงฆ์องค์เนี่คารวะญาติโยมก็ได้คือคำว่ามนุษย์นะใจมันสูงสูงกว่าอะไรก็สูงกว่าคนสูงกว่าสัตว์ไม่ได้แปลอยู่ที่สูงเทวดาฟ้าดิน เราต้องทำความเข้าใจกันใหม่ว่าสถานะจิตถรือใจตัวนีน้มันเป็นอะไรเอาแค่สามอย่างนี้ ม, มนุษย์ไล่ลงมาคนแล้วก็สัตว์แค่สามคำแค่นี้จิตเราอยู่ในประเภทไหนมันถึงได้เก่งกลัวมันได้เกิดปัญญา เออท่านย้ำเป็นมนุษย์ยัเป็นคนก็อย่างดีนะคือรักษาศีลแต่ไมครขบอาจจะมีข้อเหตุเขาจาเป็นอะไรแ ล, แล้วแต่อย่าไปอ้างว่าห้าข้อทําไม่ได้เลยหนะข้อทํำ ไ, ได้เลยก็แปลว่าเราต้องทําใจมาเวลาเขาเรียกตัวเองอ่ะเวลาเขาคุยกันที่เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นคนไม่ได้เราเคยได้ยินไหม เดินผ่านกันไปขา้างาไอ้เหี้ยไปไหนมาเป็นแล้วนะอะไรไม่ใช่มนุษย์นะไม่ใช่คนนะในขณะนั้นนะมันเป็นอะไรมันก็บอกอยู่แล้วจิตในขณนะนั้นนะนี่เราพูดถึงจิตาศาสนาของเราพูดถึงจิตไม่ได้พูดเรื่องกายสังขาร มุมจิตมันเป็นอย่างนี้แล้ร่างกายมันจะเป็นยังไงมันเป็นไดแค่รูปร่างเฉยๆมันสูงต่ำดําขาวอยากดีนีจนอุดอื่นตามสภาวะตามฐานะเพราะฉะนั้นศินห้าต้องถือว่าโอ้ถ้าเรื่องสําคัญที่สุดที่เราจะต้องบริหารนจากการกินก็ต้องเป็นศินห้าแล้วคือลำดับความสําคัญ มันมจะให้ความสําคัญดาวไม่งั้นก็ไม่มีความสําคัญใด เ, เลยในชีวิตประจำวันเพรเห็นเจอพระ ป, ระประุ๊บก็ถ้าพระท่านก็ให้แล้วเสรนจให้ไปรักษาไหมถ้ารักษาทําไมต้องมาขออีกถ้าพระท่านถามครั้งที่แล้วขอไปแล้วห้าข้อนะวันนี้ทาไมมาขออีก่ะหรือจะเอาเฉพาะข้อที่รักษาไม่ได้ได้ไหมก็ไม่ได้อาย อาจจะเปเอาทวดามุสาพาธาเวรมะนีคนอื่นทำได้แล้วข้อนี้ขอเคาะข้อนี้ก็ อ, อายทำไม่ได้พอท้ต่อโดยภาพรวมอันนี้คือภาพรวมโดยทั่วไปเพราะนั้นเอาแค่ห้าข้อนีเราไม่ต้องพูดถึงโลกเรื่องธรรมเลยเราไม่พูดถึงรัฐารัฐบาลหรคณะสงฆ์ใดๆเลยถ้ามีคนทุกคนมีคุณสมบัติอย่างนี้ พระรัตนใจถ้าเราเข้าใจว่าพระรันตนใจถ้าเราเข้าใจว่าอุบาสกอุบาสิกาที่เราเรียกเรียกกันเนี่ยเราไปเข้าใจาอุบาสิกาคนนู่งขาวหงมขาวพระเถรเดน่นซีนั่นเราเข้าใจกันเอ ง, เองเซีก็คือสิบแปดพเรารักษาได้ไหมแต่ไม่เรได้เป็นซีกันเอง เรารักษาได้ไหมทุกวันนะวันพระวันศิล์แต่และประเทศโอโบสถศิลเพราะเราเอาแค่วันโอโบสถหรือว่าแค่วันศิล์เรียก่โอโบสถศิล์จริงๆวันธรรมดาได้ไหมได้เพราะนั่นคือคุณสมบัติของพวกเราคุณสมบัติของใครของอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้เข้าไปดั้งใกล้ปรัตตนะใจคุง่ายคนใกล้ชิด เหมือนพวกเราเนี่ยพักพวกเพกืพ่อนฝูงคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเราจะรู้จักพักคุณเราจะไว้ใจกันเหมือนพ่อแม่ลกูกเหมือนครอบครัวเดียวกันนั่นคือคุณสบัติของว่าอาวาสุกุบสิกาถ้าเรามีคุณสบัติอย่างนี้คื อ, ค อ, คอคใกล้ชิดพระรัตรในใจต้องจับยั้งพระรัตนใจนะตอนนี้เราใกล้ชิดพรุทธเจ้าไหม เข้าถึงไหมก่รคิดพระธรรมเข้าใจสภาวะธรรมเข้าถึงพระสงฆ์เข้าใจว่าพระสงฆ์ไม่ใช่พระกอขอขอคององพระสงฆ์คือใครมันก็ไม่มีทิศทางมาถึงอุตส่เปย์สปะได้วิ่งไปหาคนไหนปากดีพูดดีหน่อยกี่ภาษาไม่ต้องพูดถึงถึงแม้ออกคื่อออก พระเองก็ถึงกล้าพูดก็ว่าข้าพเจ้าเนี่ยกินข้าวแรงแกงร้อนแค่น้าเปือกไดไม่เปือกไปอย่างนี้ก็ได้เลยพระเนาะไม่จะแพ้เนาะอย่างนี้ก็ได้อะคนก็ยังเชื่ออยู่เออจะไดพะ้พระพระคนนี้ก็ปคนกล้ากล้าพูดที่ยังความจริงพู ด, ดยังไงก็กล้าชั่ว อย่างนี้ก็ได้เลยแล้คุณสมบัติวัสดุกุศกาไปไหนมันไม่มีเพราะเราไปพึ่งพ้ะแต่กับพระอย่างนี้จะมีอีกเยอะในอนาคตจะมีอีกเยอะท้าเราไม่มีหลักคือหลักคิดคิดไม่มีหลักการนะมันก็จะเป็นอย่างนี้สุดท้ายผู้เราแล้วเป็นเหยื่อเหยื่ออุชะเยื่ออะไร เยอะความศรัทธาถ้าได้ศรัทธาละให้หมดไม่เหลือเลยมีเท่าไหร่ก็ให้หมดเพราะศรัทธาแต่ขาดปัญญามันขาดปัญญามันมพิจารธาแต่มันไปไม่ถึงปัญญามันหรือเป็นอย่างนี้ราศฝาคุเราทุกคนใ น, นานะที่เราเป็นคนวาดคนวาคืสละโอกาสเวลาอย่างวันนี้ ห่ืงวันที่ผ่านมาคดีเหลือในนักโทษคดีก็ถือว่าเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานวันนี้เราจะเห็นทุกเข้ามาเห็นทุกรุ่นทุกวัยปชจุมากก็วัยวัยสุดท้ายมนุษย์เรามีสามวัยใต้นไวกลางวัยสุดท้ายประถมวัยมัชิมวัยและปัจจิบันวัยสุดใจเราก็เป็นวัยสุดท้ายแล้ว วัยต้นเราไม่ต้องพูดถึงเขาละยากวัยกลางก็เริ่มเยอะไต่วัยสุดท้ายอันนี้คือวัยตามธรรมชาติาของพเราก็คือยี่สิบสี่สิบหกสิบถ้าหลังจากหกสิบแล้วสมรรถะทั้งหมดทั้งมวลมันก็เสื่อมคือถอยหลังน่เพราะเราไปเข้าเอาวัยนุ่นวัยถอยหลังแล้วขเขาว่ า, าวัยถอยหลังแล้ว ภาพรวมมันเป็นอย่างนี้แต่ประเทศมันไม่ดีดีดีขอไม่เข้าเลยอย่างที่ไม่เข้าเลยนี่ก็ยังมีอีกเยอะยังไม่รู้อย่างรู้ราวเลยเลยทีนี้ในขณะนี้จิตเราพูดถึงจิตเมื่อจิตออกจากร่างแล้วมันจะไปไหนตอนนี้ทุดทางไปมันจะไปไหนก็อเอาสิทธิ์ห้า เป็นบรรทัานก่อนพ้าสินไม่มีสักตัวอีกอยาวหวังได้กลับมาเป็นคนเป็นมนุษย์เอออันนี้ไม่ใช่คำโผนะสินห้าไม่มีสักข้อเลยเนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่ได้นะแล้วมันต่ำกว่าคืออะไรพวกเราลองนึกภาพบ อ, อกเออจิตมันก็ไปอยู่นั้นเพราะ ระดับของจิตระบบภูมิหรือว่าชั้นของจิตมันก็จะไหลไปตามนั้นเนะมื่อจิตมาออกจากร่างมันเหลือแต่ขันสนะื่มันไม่มีขันห้าอย่างนี้นะขันห้าไม่มีเมื่อมีขันห้าก็แปลวการที่ละถอนปล่อยวางทําสภาวะจิตมันสูงกว่านี้ไม่ได้ตาพุเราเห็นไม่ช่างมากโบควายมูหมากาไกา่พัฒนาอะไรได้ไหม เหมือนกันเราหมดธาตุสี่กันห้ามีเหมือนกันหมดมีลูกไม่หลานเรื่องอยู่เรื่องกินมีเหมือนเราหมดทะเละเบาะแว้งกัดกันฆ่ากันตายมันจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นั่นคือโทษนี่ยคือเราไม่มีศี่ห้าสักข้อเนี่ยต้องระวังนะไม่ต้องทบทวนตัวเองวเวลานั่งสมาธินั่งปฏิบัติทำมันจะเป็นตั้งพุโทโธสมุ ส, โ, มสโคก็ได้นั่งอย่างเนี้ท่านจะทําให้เกิดปัญญา เกิดความเกรงกลัวต่อบาปเพิดหิริโธตระปาอเราเกรงโวต่อบาปเออถ้าเรามีมีศินบ้างมีทรัพยบากกลับอยางนั้นกลับมาเป็นคนแต่ว่ากลับมาในสภาพที่ไม่มีความพร้อมกลับมาไาแต่ไม่มีความพร้อมฐานะไม่พร้อมนี่คือเป็นที่มาว่าทำไมฐานะของเราถึงแตกต่างกันอยากดีมีจน บางคนบ้านเรียนไม่มีเลยแก่จะเข้าโรงแล้วบ้านที่พักยังไม่มีเลยควา ม, มรู้จักทานคือรู้จักให้นะคือฐานะมันต้อเป็นอย่างนี้นี่คือฐานะกับสังคมอื่นๆสติปัญญาทํำไมมันถึงได้แตกต่างกันคนเหมือนกันเนี่ยแล้วสะติปัญญาของพวกเรา ความจำได้ไมรู้ความฉลาดเฉลียวทำไมถึงไม่เหมือนกันก็ออกมาคิดมานั่งแตร่ตรองเออวันทำไมเพราะอะไรแล้วฐานะทางสังคมทำไมสักฐานะเราถึงไม่เหมือนกันก็เพราะอะไรก็เพราะว่าสีนี้หละที่มาของมันคือสิน เพราะฉะนั้นเรามาทุกคนมาเพื่อต่อยอดนะมาเพื่อทําบุญที่เกิดมาเนี่ยมันแ่มาเกิดมาเล่นมางงะแล้วกันแล้วกันไปชาติอย่างหมดไปยี่สิบหกสิบเจดสิบแปดสิบปีก็เราหายตายจากกันไปกันแล้วกันมันไม่ได้เลวนะมันไม่ได้จบแค่นี้นะบทเรียนสองพันกว่าปีมานี้เราได้อะไรบ้างเรานึกไม่ออกไนหะเราคือจิต มันไม่สามารถที่จะย้อนหลังไปได้เอาแค่พูที่เจ้าของเราเนี่ยก็แค่พอศสองพันกว่าปีมา น, นี่เราเกิดแล้ว เ, เกิดแล้วซ้ําแล้วซ้ำเป็นอะไรสาระ ม, ม, ม, มันเป็นไม่ได้เป็นคนทุกภพทุกชาติมาก็พึ่งสังรวรเอาไว้นะเราไม่ได้เป็นคนแล้วเป็นคนแล้วไม่ได้ไปลว่าเจอพุทธศาสนาทุกครั้งตัว เ, เจนั้นไปต่างประเทศที่บางคนแค่เห็นพระ ก็เกิดความรุนใส่เพราะอะไรพื้นฐานของจิตมีพื้นฐานบางก่อนบางคนไปนับถือศาสนาอื่นบางคนไปเกิดแอ ฟ, ฟริกานี่จะเกิดอะไรขึ้นมีโอกาสาอย่างกเราไหมฐานะทุกอย่างมีอย่างพวกเราไหมเราเคยดูหนังดูสารคดีบ้างไหมว่าทำไมมันแตกต่างกันนั้นสภาพทั้งหลายแหล่รวมเยอะ ด, ดินฟ้าอากาศ ไปนาสาโทธรรมากิน อ, อื่นๆทำไมมันแตกต่างกันอยงนั้นมากลับถึงบ้านเรามีครบทุกรูดูบ้านอื่นเขาไม่ได้มีอย่างเราเนี่ยนี่คือความส ป, ปายะนี่คือความโชคดีแล้วโชคดีมันมาลอยมากาากาศก็จากการกระทำของผู้เราที่ผ่านมานั่นแหละเพราะนั้นเรามาในก็เพื่อมาสำนึกสาเร็จต่อยอด เบื้องต้นก็ว้พระต้องทำใจให้เป็นพระพระไม่เกี่ยวรูปร่างหน้าตาไม่เกี่ยวเครื่องแบบหมายถึงใจถึงจิตทำจิตเราเป็นพระทำได้เป็นได้พวกเราเป็นพระได้แต่เราเข้าใจว่าพระคืออย่างนี้มันก็ไปต่อไม่ได้มันก็วตัวเองไม่ใช่พระเป็นพระไม่ได้บอกคนเสียดายโอเป็นผู้หญิงบวพระไม่ได้อย่างนี้ก็มีกลายไปตัน้นเด็ดเพศไป ก็เคได้ค่าเพียตัวเองที่จริงๆคงเป็นได้หมดในขณะเดียวกันมันไม่ใช่เป็นพระเองเรื่องนะมันเป็นสิ่งสาราสัตว์เป็นได้หมดอ่ะจิตวัดวันหนึ่งมารู้มันเป็นอะไรได้บ้างแต่เรามองที่เออเราเป็นคนเราเป็นกายเห็นผู้หญิงผู้ชายเปนพระเตนเอ็นสีแต่จิตเราไม่เคยดูเลยรู้แต่กายดูกายเราจึงได้เห็นกายดูจิตมั่งเราถึงจะเห็นจิต เราไม่เคยดูจิตเลยก็่เคยพิจารณาเลยมันก็ได้แต่เห็นแต่กายแล้วก็ไปโทษแค่กายนะทุกวันนี้ออกกฎวิบากติกาเนี่ยบังคับกายนะไม่ได้บังคับจิตนะมันบังคับได้แค่กายกับวาจานะั่งกฎวิบากติการกนปาไรทั้งหลายเลยนะมันบังคับที่กายกับวาจาเท่านั้นแต่ภามรวงนั่นก็คือถ้าเรามีศีลปฏิบัติตามศีล กายวิาจารก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะกายวิาจารเป็นเรื่องของศิ่งแค่นี้มันแต่มันยิ่งใหญ่มากไม่เหมือนธรรมดาวันอยากว่าเราผู้คนในคณะคนวัดคนว่าเขาไม่ต้องไปวิตกอวนไหวไปตามสัญญาอารมณ์ที่มันเป็นมันมีอยู่เพราะว่าเราคิดว่าก็คนมันไม่มีสิ่งน่ะ มอนจะคิดพูดทำยังไงก็ได้แล้วก็จะไปเอาใส่ใจของ พ, พวกนี้เลยพัวไงจะไปใส่ใจของที่มันไม่ดีหาของที่ ด, ดีมาใส่เหมือนที่เรากินกินของ ด, ดีร่างกายเราจะรับประโยชน์แต่กินของที่มันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภายร่างกายเราก็พอได้รับอันสองดว น, นเราเลือกได้ไหมเลือกได้อาหารการกินเรายังเลือกได้ อะไรของดีๆวิธีชิดดีๆทาไมเราไม่เลือกเออเราไม่เลือกเองมันอยู่ที่เราจะไปะโทษปจัจจัยภายนอกไปโทษดิดว่าอากาศไปโทษวาสนาบารมีไปโทษเทวดาองเทวดาเขาอยู่ของเขาดีไปโทษเทวดานู่นเนาะเออมนุษย์มันก็เริ่ ม, มนุษย์ขี้เหม็นเขี่ยวเข็ดเทวดาอืมแต่ ถ, ถ, ถ้าเทวดามันว่านมันบอก เออพวกขนนี้เหม็นเนาะมาบอกพวกขี้เหม็ น, นอันนี้ก็ฝางพวกเราเพื่อเป็นกติเป็นข้อคิดคือข้อคิดก็คือเอาไปคิดจริงๆไปไ่สักฟังแล้วก็อ๋อเออดีเนาะนแล้วมาไปคิดและไม่นำมาสู่กา ร, รปฏิบัติคือกระทำมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนตอนนี้ ข่าวปลาสารพัดอร่อยไปอร่อยนั่งเต็มอยู่ตอนนี้อยู่ในบาทเต็มจะล้นบาทอยู่แล้วตอนนี้แต่ไม่หยิบข้อปากมันจะเป็นไปอยู่ตันร่างกายนะือธรรมาั้งหมดที่หมดที่คนดีๆที่พระแม่ครูอาจารย์เรามอบให้ก็หยิบข้อปากบ้างสิประคำสองคำก็ยังดีนะ ไม่ใช่บอกตัวโ oh, ออาหารนี่มันอร่อยเนาะเหมือเออหลวงปูนะ่ประเทศดีนะหลวตาประเทศดีนะครับผมบอกตาถามว่าครับผมเอาแล้วไงอ่ะก็ทัดทิพย์แต่เราหยิบเข้าปากหรือยังสักคําคไปลองชิมดูก่อนนะที่วันดนะีที่อ่านที่ว่าอร่อยหยิบเข้าปากบ้างไม่หยิบเลยอะ่ะไปฟังเป็นปีเป็นชาติ บาทีก็ชวนกันไปฟังอย่าหลวงว่าก็ชวนไปฟังว่าหลวงพ่อหลวงพี่หลวงต า, างหลวงนาวง่นนี้พูดดีเทศดีก็ได้แต่ครับผมเลยไปถามบอกคือมุ่วบวชไปกี่วันกี่เดือนให้เราไปฟังเทศต้องบอกทำไมครับไม่มาฟังเทศเราบ้างอลองแลกลองแรกความคิดกันเราเปลี่ยนกันมั้งคืออันนี้คือสารธรรมฟัง พวกเราทุกคนเพื่อเป็นแนวนึกมันนึกขึ้นมาได้จริงๆเป็นแนวคิดให้เอาไปคิดจริงๆแล้วก็เป็นแนวปฏิบตัติให้ลงมือปฏิบัติจริงๆเราก็จะเป็นหลักคือหลักคิดหลักพูดหลักทําก็คือหลักปฏิบัตินั่นเองแต่คิดก็ไม่มีหลักการพูดก็พูดไปเรื่อยๆการกทําหรือพฤติกรรมของเราแสดงไปเรื่อยๆนะอย่าไปโทษศาสนาอย่าไปโทษครูบาอาจารย์ พ่ราไม่กิดเองอันนี้คือสาระสำคัญสำหรับฝากพวกเราในเช้าวันนี้แล้วก็ฝากนี่หนึ่งทางใครอยู่ต่อได้สิบโมงเราเวิ่มพูดเรื่องรายละเอียดที่มาที่ไปทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันคืออะไรและจะต้องทําอย่างไรกับปัญหาเหล่านี้เพราะมันมีผลกระทบต่อพวกเราชาวพุทธทั้งหมดทั้งมวลก็กรุณาความดีพวกเราทุกคนที่ อย่างพวกเราในมันไม่มีปัหาละคนวัดคนว่าก็ขอครรภธนาอย่าลืมปุถิตเฉพาะเจะจงแพแมตาความดีอันนี้ขอให้ท่านเหล่านั้นจงรู้จงเห็นจงประสบจงพบ ร, รมที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้มีส่วนในการรู้เห็น ในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นโดยเร็วพันทุกทันเถน